ดรภัยสารการถางคณะบริคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธันครร่วมลงานามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาคโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์กับนายสำเริงทรงศิริประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษเสวะไทยกระเรงงอําเภอกุฎบาทจังหวัดสกล น, นคร นายล่องแจ้งสิมานุกูลประธานวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีบ้านอากาศอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร11ชัยวันราชชมพูรองประธานสภาเกษตรจังหวัดสกลนครดรภูมิวริชชัยภูริฮิรัญยกุลนายกสมาคมแพทย์ไทยบรรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร น, นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมทางภาครัฐและเอกชนส่งเสริมความร่วมมือการจัดประชุมสัมมนาและอบรมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ชุมชนจัดให้มีการรวบรวมการรักษาผู้ป่วยโดยมีแพทย์แผนไทยเภสัชกรหมอพื้นบ้านหรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสนับสนุนวัตถุดิบจากพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์และวิจัยเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาและร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถตํำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและการพัฒนานันทนาศีมาวิทยุราชมงคลพรนะนครรายงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการเขตตรวจสอบวินจั ก, กรยานยนต์เตรียมประสาน4หน่วยงานประชุมแก้ไขปัญหาพลตําตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการดําเนินมาตรการตรวจสอบกลุ่มวินจั ก, กรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าต้องบูรณาการพูดคุยทําความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกองบังคับการตํารวจจราจรทหารในพื้นที่และกรมการขนส่งทางบก เพื่อประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งวินรถจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพมีมากกว่า 5,000 ันจุดที่ผ่านมาตรวจสอบอาจไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้แต่ละสำนัก ง, งานเขตดําเนินการพูดคุยหารือกับหน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบจุดตั้งวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและดําเนินการป้องกันเหตุที่อาจเกิดการวิ่งรับผู้โดยสารทับซ้อนกันทั้งนี้ได้ฝากถึงกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างว่าอย่าออกมาสร้างความวุ่นวายทะเลาะหรือตีกันให้ประชาชนเห็นแต่ร่วมกันให้บริการแก่ประชาชน